ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าผู้ฝึกสมาธิเพื่อมรักผลนิพพานนั้นเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็น้อมไปสู่การคิดค้นหาความจริงของชีวิต หรือความทุกข์ของสัตว์ว่ามีอยู่อย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรจะดับไปได้อย่างไรเป็นต้นส่วนผู้ที่ฝึกเพื่อริษนั้นแทนที่จะน้อมไปเพื่อคิดค้นหาความจริงเขาก็น้อมสมาธินั้นไปเพื่อการสร้างมนโนคติต่างๆให้ชนานาญ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ยากมากเมื่อเขาสร้างภาพแห่งมโนคติได้โดยการบังคับจิตหรือวิญญาณของเขาได้เด็ดขาดและครองแคลวแล้วก็หัดรวมกําลังส่งไปครอบนำสิ่งที่อยู่ใกล้และขยายวงกว้างออกไปทุกที เพื่อให้ภาพแห่งมโนโคตินั้นครอบนำใจของผู้อื่นตามที่เขาต้องการความยากที่สุดตกอยู่ที่ตนจับต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงภาพนั้นๆให้เป็นไปตามเรื่องที่ต้องการดุ ก, การสายภาพยนตร์ลงในผื้นจอแห่งวิญญาณของผู้อื่นจึงเป็นการยาก กว่าการที่เจริญสมาธิเพื่อสงบนิ่งอยู่เฉยๆโดยคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเดียวโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ดีความยากลําบากนั้นความยากลําบากนั้นๆไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่นอกวิสัยเพราะเมื่อจิตได้ถูกฝึกจนถึงขีดที่เรียกว่ากรรมนิยัง นิ่มนวนควรแก่การใช้การงานทุกๆอย่างแล้วก็ยอมใช้ได้สมตามความประสบคพฤิ์ตามที่กล่าวไว้ในนิเทศแห่งอภิญญาของฝ่ายพุทธศาสนานั้นนิเทศนี้แปลว่าคำขยายนะครับคำขยายอุทเทศมมันจะมาคู่กับอุทเทศอุทเทศนั่นคือบทตั้ง บทตั้งนิเทศนั่นคือบทขยายคือคำขยายอธิบายความเป็นคำอธิบายข้อความที่อุทเทศคือบทตั้งที่ตั้งไว้สั้นๆในนิเทศแห่งอภินยาของฝ่ายพุทธศาสนานั้นดูคล้ายกับยืมใครมาใส่ไวเพื่อแสดงความสามารถของศิษ อันสูงสุดประเภทนี้ให้ครบถ้วนนอกจากไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกโดยตรงแล้วยังไม่ค่อยตรงกับอาการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอยู่บ้างในบางข่าวในบาลีไม่ได้แสดงวิธีฝึกเอาไว้คำว่าบาลีาที่กล่าวถึงในหนังสือธรรมะนะครับก็จะหมายถึงขั้นใจิจิตรเจ้าพระพุทธพจน์ แต่ว่าพระบาลีก็หมายถึงว่าพระพุทธพจน์หรือว่าชั้นพระไตรปิตกในบาลีไม่ได้แสดงวิธีฝึกเอาไว้ไม่ได้แสดงวิ่แฟววว่าควรฝึกหรือจําเป็นและไม่ค่อยปรากฏว่าพระมหาสาวกองคงใดได้รับประโยชน์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งจึงนาความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า ถ้าหากว่าเรื่องอปิญญาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกยืมของใครมาเพิ่มเติมผนวกเข้าในชั้นหลังแล้วก็เป็นเพียงเรื่องที่กล่าวเพื่อแสดงคุณสมบัติของจิตที่ฝึกแล้วถึงที่สุดให้ครบถ้วนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจําเป็นของพระสาวกเลย เมื่อเป็นเช่นนี้การฝึกก็เป็นอันว่าต้องต่างกันต้องต่างกันไปด้วยไม่มากก็น้อยจากวิธีที่เขาฝึกกันในสายริบโดยตรงเพราะเรื่องโน้นเป็นเรื่องของผู้ขนขวายเพื่อเสียสละไม่ใช่เรื่องของผู้ขนขวายเพื่อรับเอาในพระบาลีกล่าวแต่เพียงว่าเมื่อจิต เป็นเจตุไทชานคล่องแคล่วดีแล้วก็น้อมไปเพื่ออภิญญาเช่นนั้นเช่นนั้นสําเร็จได้ด้วยอํานาจเจตุไทชานนั่นเองเมื่อการน้อมนั้นๆสําเร็จก็สามารถทําได้เช่นนั้นเช่นนั้นดูเหมือนว่าถ้าน้อมไปเพื่ออภิญญานั้นๆไม่สมําเร็จก็น้อมเลยไปเป็นลําดับลาดั บ, ด บ, ดบข้ามไปหาการคิดค้นเรื่องอริยสัจ เลยทีเดียวใครกลับว่ามีว้ยเปื่อนเลือกเือสาเร็จสำหรับคนที่มีอุปณนิสัยบางคนในบาลีบางแห่งไม่มีกล่าวถึงอภิญญาเลยเมื่อกล่าวถึงจตุทธฌานแล้วก็กล่าวถึงวิ ช, ชาสามวิ ช, ชาสามนี่คือปุเพนิวาสานุสติารราญาลิชฌาจะระลึกถึงความ เป็นมาแล้วของตนในอดีตความวิ่งวนของมูสัตว์ในสังสารวัฏและเหตุผลเรื่องอริยสัจเป็นที่สุดพระบาลีชนิดหลังนี้มีมากกว่าที่กล่าวถึงอาภิญญาแค่ที่กล่าวถึงจตุทัยฌานแล้วกล่าวอริยสัจไยเลยก็มีมากความมาก ในอัจฉริาซึ่งเป็นคาอธิบายของพระบาลีก็ไม่ได้กล่าววิธีฝึกฤทธิ์นั้นนั้นมากแกในทางศัพท์คาว่าแกนี่เป็นสํานวนทางทางวัดจะเป็นสํานวนทางศาสนานะครับหมายความว่าอธิบายคืออธิบายศัพท์ของพระใจพิโอยางเรียงความแกกระทู้ธรรมคำว่าแก ในความว่าอธิบายอธิบายกระทู้ธรรมยกกระทู้คือพระพุทธภาสิทธิ์หรือภาสิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้เขียนอธิบายก็เรียกวาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมในที่นี้ท่านก็บอกว่ามักแก้ในทางศัพท์ทางข้อธรรมะแท้ๆหรือมิฉะนั้นก็ ทางนิยายไปเลยแต่ก็ได้ท้าให้คนดูเอาจากคำภีวิสุทธิมัตยเพราะว่าผู้ร้อยกรองอัตตกถากับผู้แต่งวิสุทธิมัตยเป็นคนเดียวกันโดยวิสุทธิมัตยมีอยู่แล้วก่อนการแต่งอัตตกาชานั้นๆในคำภีวิสุทธิมัตยมีเรื่องการฝึกฤทธิ์อย่างพิสดาร จนกล่าวได้ว่าไม่มีคมภีใดพิสดารเท่าในวงของคำพีฝ่ายพุทธศาสนาด้วยกันเพราะความพิสดา น, นั่นเองจําเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องขอร้องให้ท่านพริกดูในหนังสือชื่อนั้นด้วยตนเองกรรมะข้าพาเจ้าคือท่านพุทธทาสนะครับหมายถึงท่านพุทธทาส ขอร้องว่าให้ท่านพริกดูในหนังสือชื่อนั้นคือหนังสือวิสุทธิมัชย์ด้วยตัวท่านเองโดวยว่าเหลือที่จะนำมาบรรยายให้พิสดารในทีนี้ได้เมื่อกล่าวแต่หลักย่อๆก็คือขั้นแรกท่านสอนให้หาความชำนาญจริงๆในการเพ่งสีต่างๆและวัตถุเช่นดินน้ำไฟลมจนติดตาติดใจ เพื่อจะดวกในการสร้างภาพแห่งมนโนค ต, ในนติในขั้นต่อไปในขั้นต่อไปอันเรียกว่าเพ่งกะสินซึงเป็นสิ่งมีมาแต่ก่อนพุทธกาลมีได้สมบัติของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผู้เพ่งต่อฤทธ์ต้องหนักไปในการพึกกะสินเท่ากับผู้เพ่งต่อพระนิพพาน ต้องหนักไปในการฝึกอาณาปานสติและกายคตาสติเป็นต้นเป็นต้นนะครับคืออย่างไรก็ได้แต่ว่าให้ฝึกให้หนักไปในทางธรรมดินน้ำไฟลมคือส่วนผสมของสิ่งต่างๆในโลกหรือกลาวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าโลกเท่าที่ปรากฏแก่ความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือดินน้ำไฟลมนั่นเองว่าสิ่งเหล่านี้ ติดตาและติดใจจนคล่องแคล่วแล้วพระโยคีก็อาจสร้างมนโนคติภาพอันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ทั่วไปทุกอย่างกระสินยึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาในฝ่ายฤิ์สีขาวสีเขียวและสีต่างๆเพราะทำนองเดียวกันเป็นสีของสิ่งทั้งหลายบรนดาูีในโลก อุทุมาตกะอสุกคือการเพ่งให้จำซากศพที่ตายแล้วได้สี่วันห้าวันกำลังขึ้นพองกำลังขึ้นพองเขียวจนติดตาและขยายสัดส่วนให้ใหญ่ให้ใหญ่ให้เล็กทำนองย่อและขยายสะเก็นอยู่ไปมาตลอดจน ให้ลุกเดินเคลื่อนไหวได้ต่างๆจนติดตาติดใจํำนานทุกประการเช่นนี้ช่วยให้ประสาทของผู้นั้นเข้มแข็งต่อความกลัวจนมีใจไม่หวั่นไหวได้จริงในสิ่งทั้งปวกในที่ทั้งปวกทั้งช่วยส่งเสริมให้สร้างมโนคติในเรื่องกริกเป็นตน้นได้เป็นพิเศษ รวงความว่าในขั้นแรกต้องฝึกการอดทนการบังคับใจของตนเองให้อยู่มือจริงๆการจำนานสร้างภาพด้วยใจอย่างเดียวตลอดถึงความกล้าหาญความบึกบึนหนักแน่นของประสาททางสิทธิ์เมื่อจำนานในขั้นนี้แล้วจึงฝึกการส่งภาพทางใจหรือที่เรียกว่าอธิษฐานสิต เพื่อความเป็นเช่นนี้เช่นนั้นครอบงาผู้อื่นถ้าหากมีความชำนาญและกล้าแข็งพออาจที่จะบรรดาให้คนทั้งชมพูถวิบรู้สึกหรือเห็นเป็นอันเดียวกันหมดว่าพูกเขาที่มาไัลซึ่งเคยอยู่ทางทิศ น, นั้นตอนนี้ได้เคยเปลื่อนลงมาอยู่ทางใต้จะอยู่ปางมาสมุทินเดียเสียแล้วเป็นนบนใต้ ดิงอเทียันธิภาพของอเมริกาได้อีกตามที่พูดไปเมื่อคืนนี้ละขยับภูเขาหิมาลายทั้งภูเขาเนี่ยเป็นการสร้างภาพแต่เพราะความที่อำนาจใจนั้นๆนไม่พอจึงเท่าที่เคยปรากฏกันมาแล้วมีเพียงในวงคนหมู่หนึ่งหรือชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นสมตามชื่อของมันคือธรรมริศ จึงแปลว่าเครื่องมือช่วยแก้อุปสรรคให้สําเร็จทันกทันใจคราวหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าแม้หากพระโยคีองคใดเคลื่อนวกเขาอิมาลายได้ด้วยอำนาจฤทธิ์เมื่อท่านขายฤทธิ์คือตายเสียวกเขาอมาลายก็จะวิ่งกลับไปสู่ที่เดิมเท่านั้นเองนับโทษที่มีฤทธิ์ อาจบัรดาให้เขาเห็นตนเหาะลอยอยู่ในอากาศได้แต่ย่อมไม่อาจที่จะทำลายเครื่องจองจำนั้นได้ถ้าหากมันเป็นเครื่องมือที่แน่นหนาแข็งแรงพอแต่นับโทษผู้นั้นมีทางที่จะใช้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือมีโอกาสใช้อุบายอันใดอันหนึง่ง หรือเขาสั่งปล่อยเพราะกลัวพินิหารของตนก็ได้เรวมถึงตรงนี้ก็ได้จบควรย้อนบับเจลาถึงเรื่องนี้กันใหม่มันเป็นบามอยากที่ขึ้นโดยบางหรือของคนบางอาจจะมีคุณบัตรพิเศษบางอยา่างความคิดนี้เป็นเหตุให้ยอมพีเวลาตลอดทั้งชีวิตเพื่อการค้นคว้าทดลองอันเรียกว่าบมเพตะบะ ในยุคที่คนเราถือพระเป็นเจ้ายอมหวังความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าเต็มที่ดยอำนาจของสมาธิที่มีต่อสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นพระเป็นเจ้านั่นเองเมื่อวิชานี้ถูกแพร่ถูกแพร่เข้ามารู้มาถึงคนในบ้านในเมืองก็จูุงใจพวกชายหนุ่มนักรบหรือกษัตริย์ ให้ออกไปขอศึกษาจากพวกโยคีนั้นถึงในปา่ามีเรื่องเป็นนิยายอยู่มีเรื่องที่คงเหลือเป็นนิยายอยู่ตามนางตลุกมักเล่นกันโดยมากคือพระราชกุมารหรือว่าลูกของใครต่อใครไปเรียนกับโยคีในปา่านางตลุง คนป่าหรื อ, อยักษ์บางคนก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เท่าหรือมากกว่าคนบ้านหรือมนุษย์ถึงกับรบกันแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะพวกเทวดาหรือพวกที่เอาแต่เล่นสนุกไม่ปรากฏว่ามีฤทธิ์เพราะสมาธิไม่ค่อยดีกระมังในตอนแรกๆกู้มีฤทธิ์นั้นค้นคว้ากันเกียง ขั้นที่สำเร็จสมความต้องการไม่ได้ค้นถึงเหตุผลของฤทธิ์ไม่เป็นนักปรัชญาหรือทฤษฎีในเรื่องนี้แต่เป็นเพียงนักปฏิบัติการตามที่สั่งสอนสืบๆกันมาขณะเมื่อในอินเดียกำลังรุ่งเรืองด้วยวิชาประเภทนี้ฝั่งฝ่ายยุโรปไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย เมื่อทางอินเดียเสื่อมลงทางยุโรปได้รับเพียงกระเซน็นกระสายเล็กน้อยไม่พอที่จะรุ่งเรืองด้วยจิตวิทยาประเภทนี้อย่างในอินเดียมีฤทธิ์ของศาตานหรือของมารเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีพิษมีสงอะไรนะักและก็เป็นเรื่องทางศาสนามากกว่าเมื่อวิชานี้ได้เสื่อมลงในอินเดียแล้วในทางปฏิบัติการ แต่ในทางนิจใหญ่ยังมีเหลืออยู่ไม่ทราบสูนแต่ยิ่งกว่านั้นที่แน่นอนที่สุดก็คือได้ถูกคนชั้นหลังต่อเติมเสริมความให้วิจิตยิ่งขึ้นไปจนคนชั้นหลังในบัดนี้ปอกเปลือกตั้งหลายชั้นแล้วก็ยังไม่ถึงเยื่อไหนได้เลยความเดาทาให้ขยายความจริงให้เครื่อนจนฤทธ ซึ่งเป็นเพียงวิชาสำหรับชใช้แก้อุปสรรคยังกระทานนั้นเล่นตลกกับคนที่รู้ไม่ถึงกลับกลายเป็นเรื่องจริงแท้ๆไปตัดเดียวกับเรื่องทางวัตถุอื่นคนในชั้นหลังเป็นนั้นมากเชื่อว่าอะไรทุกๆอย่างจริงตามนั้นทั้งที่ตนตอบไม่ได้ว่าถ้าจริงเช่นนั้นทำไมเวลาปกติผู้มีฤทธิ์ยังต้องเดินไปไหนมาไหนไม่เหอะ เหมือนคราวที่แสดงฤทธิ์แข่งขันทำไมต้องทำนาทำสวนหรือออกบินทบาตไม่บรรดาลเอาด้วยฤทธิ์เป็นต้นฤทธิ์ที่เคยเป็นเพียงของรองดีกันด้วยกําลังจิตแล้วก็กลายเป็นเรื่องทางวัตถุหนักขึ้นจนบางคนในชั้นหลังหวังจะมีฤทธิ์ เพื่อให้หายเจือให้แก่ตนตามกิเลสของตนผลที่ได้รับในที่สุดก็คือการวิกลจริตผมขอเพิ่มเตมนิดหนึ่งนะครับว่าฤทธิ์ในสมัยปัจจุบันนี้ท่าอาจารย์พระธาตุพูดถึงฤทธิ์ทางวัตถุผมก็มีข้อมูลนิดหน่อยว่าฤทธิ์ทางวิทยาศาสต ร, ร์ในปัจจุบันทั้งฝ่ายสร้างและฝ่ายทำลายไดแสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อว ไยสร้างเช่นอาการอาการบ้านเรือน เ, อเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคชนิดต่างๆรวมทั้งกรรมวิธีในการรักษาโรคอากาศยานเรืและใหญ่โตเรือทั้งบนน้ำไปตา่ายทำลายเช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์อันมีฤทธานุภาพมาหรือมาสุดที่จะพันธนาให้หมดสิ้นได้ แต่ว่าความอยากความอดอยากหิวโหวยของประชากรโลกยังไม่หมดไปการอาหารแล ะ, กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า FAO แถลงว่าปัจจุบันมีผู้อดอยากและหิวโหวยอยู่ทั่วโลกประมาณ800ล้านคน800ล้านคนไม่ใช่น้อยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด อที่นี้ท่านลองคิดดูว่าถ้าเผื่อ ว, ว่ามนุษย์เราถ้ามนุษยเ์เราไม่คิดที่จะประหัตประหารกันไม่คิดที่จะรบราฆ่าขวัญกันแล้วก็เอาเงินทองที่ลงทุนไปในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการบริการประชาชน ในการให้การศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็ในการช่วยให้ประชาชนพ้นจากความบวดยาหิวโหวยผ่านจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็ บ, จบถ้าเอาเงินจำนวนมหาศาลที่สร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นเปลี่ยนมาสร้างอาหารที่อยู่อาศัยจารักษาโรค แล้วก็ใช้ไปในการศึกษ า, าคิดว่าเราจะได้สักเท่าไหร่เราจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องรวมโลกของเราได้เท่าไหร่เพราะว่าอาวุธในการทำลายนั้นแพงมากแพงมากจริงๆลงทุนมากจริงๆ ก็แปลว่ามนุษย์เราได้ได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาช่วยโลกก็มีแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อจะทําลายโลกก็มีเกิทั้งสร้างและทํำลายด้วยริดทางวิทยาศาสตร์อันนี้ท่านมองไปรอบๆตัวท่านเวลานี้ท่านก็จะเห็นจะจะมองเห็นริดทางวิทยาศาสตร์มากมายเรื่อเกิด ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวต่อไปว่าสรุปความสั้นๆที่สุดในเรื่องฤทธิ์ที่ได้กล่าวมาอย่างยืดยาวนี่ก็คือว่าฤทธิ์เป็นเพียงคุณสมบัติพิเศษส่วนหนึ่งของจิตเท่านั้นเรื่องของจิตอันนี้เป็นพวกนมามธรรมจะให้สำเร็จผลเป็นวัตถุไม่ได้ เช่นเดียวกับวัตถุในความฝันมันจะเป็นวัตถุอยู่ก็ช่วงเวลาที่เรายังไม่ตื่นจากฝันเท่านั้นของที่ในเรามิดขึ้นด้วยอำนาจริตสำเร็จประโยชน์ช่วงเวลาที่คนเหล่านั้นยังตกอยู่ใต้อานาจจิตที่เป็นด้วยออกฤทธิ์เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกกัน วันโลกนี้ก็ตามถ้ามีอะไรมาโดนบันดาลให้จิตของเราทุกคนวิปริตเป็นอย่างอื่นไปโลกนี้ก็จะปรากฏแก่เราอย่างอื่นไปทันทีดุดกันสิ่งทั้งหลายสำเร็จอยู่ที่ใจรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมด มีคุณสมบัติขึ้นมาได้ก็เพราะเรามีสิ่งที่เรียกกันว่าใจถ้าไม่มีใจโลกนี้ก็พร่อยไม่มีไปด้วยรวมความสั้นๆได้ว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาจากใจใจสร้างขึ้นใจเป็นประธานเป็นหัวนหน้าแต่ผู้เดียวเราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ตาม มาโดนบันดาลให้ใจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปสิ่งทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยใจก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยทามนาตนบันดาล น, นั้นเป็นของชั่วขณะสิ่งนั้นก็แปรปนชั่วขณะด้วยในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอยู่แล้วเราจะสร้างฤทธิ์เพื่อเอาชนะสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้น น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้รับผลน่าชื่นใจเพราะฉะนั้นขาริยาบุคคลทั้งหลายแทนที่จะใช้เวลาไปค้นคว้าในเรื่องริษท่านจึงใช้ชีวิตที่เป็นของน้อยนิดเดียวนี้ค้นคว้าหาสิ่งที่เที่ยงและเป็นสุขคือพระนิพพาน แม้ว่าเรื่องลิ์และพระนิพพานต่างก็เป็นวิทยาส่วนจิตด้วยกันก็จริงแต่แตกต่างกันลิบลับด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแลว้วเมื่อพระพุทธมีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นในอินเดียพระองค์ทรงบัญญัติบาททาัตฐาแห่งฤิ์ว่ามีจุศสี่อากคือความพอใจความเพียรความฝากักใฝ่ และความคิดคน้นเรียกว่าอิทธิบาทเมื่อทำได้ผลที่ได้รับก็คือมรรคผลนิพพานเพราะคำวัดของพระองค์จา ก, กัดความเฉพาะเครื่องไม่สำเร็จหรือลุกถึงพระนิพพานเท่านั้นฤทธิ์จึงเคยได้ผลเป็นสิ่งตบตาและชั่วคราว ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสิ่งซึ่งให้ผลอันมีค่าสูงสุดและแน่นอนโดยประการเช่นนี้นี่คือข้อเขียนของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุนะครับได้เขียนไว้เมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนพศสองพันสี่ร้24 80. 24 80. อยแปดสิบสองพันสี่ร้อยแปดสิบทีนี้ก็ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ พูดไวหลายตอนในเรื่องคำภีวิสุทธิมักว่าเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์นี่ได้คำภีวิสุทธิมักได้กล่าวไวรายละเอียดพิสดารมากท่านที่ต้องการก็ให้ลองไปเปิดดูค้นคว้าหาจากหนังสือนั้นทีนี้ก็บังเอิญว่าผมได้ทำเรื่องนี้เอาไว้ เรื่องวิสุทธิมักอันนี้นะครับหลายปีมาแล้วประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีมาแล้วก็ได้ทําหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมักสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมักแล้วก็มีเรื่องฤทธิ์ในตอนที่ว่าด้วยยิทธิวิธินิเทศยิทธิวิธินิเทศก็คือปัญนาาวิธีแห่งฤทธ แล้วก็มีอภิญญาคถาคาถาว่าอภิญญาอภิญญาก็คือธรรมที่ควรรู้ยิ่งอันนี้ผมนํามาพนวกนะครับเพื่อจะให้ท่านได้ทราบเรื่องฤทธิ์ดำนิยะแห่งกัมพีวิสุทธิมักย่อยย่อโดยย่อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อภิญญาคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งที่เป็นส่วนโลกิยะมีห้าส่วน ที่เป็นส่วนโลกุตระมีหนึ่งคืออาสวัคขยะยานปัญญาในเครื่องทำกิเลใสให้สิ้นไปได้แก่ยานในอริยสัจโลกิยาปิญญาปิญญาในระดับโลกิยะมีอยู่ห้าคือหนึ่งอิทธิวิธิคืออิทธิวิทะก็ได้วิธีแสดงฤทธิต์ต่างๆเช่นคนเดียวสามารถทำเป็นหลายคน สองทิพสโตรหูเหมือนทิพหรือหูทิพสามเจโตปริยะญาณญาณรู้วาราจิตของผู้อื่นสี่ปุปเปนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติผลหลังได้ห้าจุดตูปปาตยญาณรู้จุติและอุบัติอของสัตว์ทั้งหลายกลาวิตกายนหนึ่งก็คือตาทิพนั่นเองตาทิพกับ จักทิพจักสุกับจุตูปปาตยานนี่เป็นอันเดียวกันนะครับคือในที่ใดท่านกล่าวถึงจูตูปปาตยานแล้วท่านก็จะไม่กล่าวถึงทิพจักสุเพราะว่าในที่ใดกล่าวทิพจักสุแล้วท่านก็จะไม่กล่าวจุตูปปาตยานเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้ก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะทราบเรื่องฤทธิ์ที่กล่าวไว้ในคัำทีวิสุทธิมัก ก็จะให้ทราถึงฤทธิ์อากอย่างไปก่อนการที่หนึ่งท่านเรียกว่าอธิฐานาอิทธิฤทธิ์ธที่มีขึ้นเพราะความตั้งใจหรือการอธิฐานเช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนอธิฐานคนเดียวทำเป็นหลายคนสองวิกุปนาอิทธิฤทธิ์ธที่แสดงเป็นภาพต่างๆเช่นแปลงร่างเป็นเด็กเป็นกองทัพเป็นงูเป็นต้น สามโนโมยาอิทธิฤทธิแสดงออกโดยการสร้างรูปอื่นเช่นเนรมิตให้เห็นภาพสตรีที่สวยงามอยางที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตภาพให้พระนางเกศ ม, มาและพระนางรูปนันธาทอดพระเนตรสี่าณวิปภายราอิทธิฤทธิยานอันแก่กล้าคุ้มครองรักษาไว้มิให้เป็นอันตรายหมายถึงฤทธิของผู้ที่เกิด มาเป็นชาติสุดท้ายมียานแก่กล้าที่จะได้สำเร็จมรรคผลอย่างแ น, น่นอนบุคคลดังกล่าวนี้ถ้ายังไม่สาเร็จมรรคผลจะไม่ตายไม่มีอะไรมาทำอันตรายให้ถึงตายได้มีตัวอย่างในคำพีอัตถกถาเช่นสังคิตจะสั ม, มนเนธอยู่ในท้องมันดามันดาตายขณะอยู่ในท้องเขานำไปเผา แต่เด็กในท้องไม่เป็นอะไรนี่คืออํานาจของญาณวิปภาราอิทธิคือฤทธิญานคุ้มครองเอาไว้และสังกิจจาสามเณรก็ได้สําเร็จมากผลในอัตภาพนั้นห้าสมาธิวิปภาราอิทธิเคาริที่สมาธิคุ้มครองเอาไว้ผู้ที่กําลังเข้าสมาธิ ในระดับนิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทยิตันิโรธอยู่ใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายอย่างเรื่องพระเตระชื่อสันชีวะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่พวกเลี้ยงโกเข้าใจว่าท่านตายแล้วจึงนำมาท่อนไม้และยญ้าแห้งมากองสุมไว้แล้วก็เผาท่านแต่ไฟไม่สามารถทำอะไรท่านตายเลย แผลสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไหมนี่เรียกว่าฤทธิ์ที่สมาธิคุ้มครองเอาไว้ก็หกอริยาอิทธิฤทธิที่ประเสริฐคือฤทธิ์ของท่านผู้ประเสริฐที่เรียกว่าพระอริยเจ้าผู้วางเฉยในอารมณ์ทั้งหกที่เรียกเป็นสัพพาฉลังคุเบกขาคุเบกข า, าในอันประกอบด้วยองค์หก คือวางเฉยในอารมณ์ทั้งหกคือในตาในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมพะ ธ, ธรรมารมท่านผู้เป็นเช่นนี้แม้ม่ได้แสดงฤทธิ์อย่างอื่นก็เป็นผู้มีฤทธิ์อยู่ในตนคือว่ามีอาการที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสและน่าเกรงขามอยู่ในที่กรร ม, มวิปากชาอิทธิฤทธิเกิดแต่ผลแห่งกรรมชนฤิธของนกสามารถบินไปได้ในอากาศเป็นตน คือเป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งนั้นๆแปดบุญเยาวโตอิทธิฤทธิ์ของผู้มีบุญเช่นโคสกะเศรษฐีเมื่ออยู่ในวัยเด็กบิดาเลี้ยงพยายามฆ่าด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่อาจธรอันตรายได้ทั้งนี้เพราะบุญในชาติก่อนคุ้มครองไว้กาวิชามยาอิทธิฤทธิ์ที่สาเร็จด้วยวิทยาเช่นการไปในอากาศของพวกวิทยาธร แล้วก็ผมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเครื่องบินและเรือดำน้ำน่าจะจัดเข้าในฤทธิ์ข้อนี้ได้ติบอิชนาอิทิฤทธิเกิดเพราะสัมมาวายามะในกิจทุกอย่างเช่นหมอให้ยาคนไข้ถูกต้องบาบัดโรคให้หายไปได้การละกรมฉันทะ้วยเนกขัมะและองค์ชานการละกิเลสทุกอย่างด้วยอรหัตมัชอย่างนี้เรียวกว่าฤทธิรประการหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าฤทธิ์ที่ประสงค์ในที่กล่าวถึงในที่นี้ก็คืออาิตฐานฤทธิ์อาทิษฐานฤทธิ์เปอฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยการตั้งใจทำให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งชาญ